าพวกเราเป็นผู้ใฝ่ธรรมน ะ, ะธรรมะนี่ต้องทำให้ซึมซับเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับจิตกับใจจะทำให้ซึมซับเข้ามากับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจได้อย่างไรนะการอ่านการฟังก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่ง แต่ว่าไม่พอนะต้องปฏิบัติด้วยคราวนี้เมื่อจะปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจขอบเขตความหมายของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในพุทธศาสนาอาการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาถ้าพูดง่ายๆก็คือการทําความดีแล้วก็การเปิดใจให้เห็นความจริงนะ ความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำนะความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเห็นต้องเข้าถึงําทำดีก็คือทำดีที่กายวาจาใจทาให้กายดีวาจาดีใจดีกายดีนี่ไม่ได้ไหมายถึงว่ามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยอันนั้นมันเป็นส่วนประกรอบเป็นส่วนเสริมแต่กายดี ในที่นี่หมายถึงมีพฤติกรรมทางกายที่ดีไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ใช้กายนี้ในการไปอารลอะเอาเปียบใครนะจะใช้กายนี้เพื่อการทําความดีเริมตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลศีลนี่มันเป็นกําแพงขวางกัน้นไม่ให้เราไปทําชั่วแล้วเมื่อไม่ทาชั่วแล้วก็ต้องทําความดีเสริมเข้าไป วาจาดีก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่พูดเพรา ะ, ะพูดเพราะแต่ว่าเป็นคําเท็จเป็นคําประจบประแจงพ่อย อ, อ ก, ก็ได้นะอันนั้นไม่ใช่ความหมายของคําว่าพูดดีพูดดีก็คือพูดความจริงนะวาจาฉันใช้คําว่าหลังหลังคำสัตว์ให้วาจาของเรานี่มันเป็นมีคําสัตว์ที่หลังออกมา เป็นความจริงเป็นประโยชน์พูดจริงแล้วไม่พอต้องมีประโยชน์ด้วยความจริงแต่ไม่มีประโยชน์นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสมีเป็นความจริงแล้วมีประโยชน์แล้วก็ต้องพูดได้ถูกเวลาด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะคําตําหนิวิจารณ์และแต่คําชมคําสอนละเสรินี่พุทธเจ้าก็ สอนว่าให้รู้จักพูดถูกกาลละเวลาพูดผิดกาลละเวลาก็เป็นโทษนะเช่นอาจจะทำให้เจ้าตัวนี้เกิดความหลงตัวลืมตนหรือทําให้คนอื่นนี้อิจฉาพยาบาทนะบางทีเราเจตนาดีแล้วก็พูดชมเขาแต่ว่าคนอื่นนี่เขาไม่พอใจนะเขาอิจฉา คนที่ได้รับคำชมก็เลยกลายเป็นว่ามีศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าชมโดยที่ไม่ได้ดูการลเทศะแม้ว่าเจตนาดีพูดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะแม้จะเป็นคำตักเตือนนะแต่ก็พูดด้วยจิตที่มีเมตตาวาจาไพเราะถูกเวลำเวลา ก็จะเกิดประโยชน์พูดดีแล้วนะใจก็ต้องดีด้วยนะใจดีคือใจที่มีเมตตาใจที่มีความกรุณามีความอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมถ้ามีความสงบมีความตื่นรู้เบิกบานด้วยอันนี้ก็ ต้องอาศัยภาวนาแล้วนะทานสีนี่มันเป็นเครื่องช่วยกล่อมเกลาให้กายว า, าจานั้นดีส่วนใจจะดีได้ต้องต้องอาศัยภาวนานะภาวนาอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ยนะไม่ว่า จ, จะเป็นเมตตาภาวนาหรือว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือว่าการทําสมถกรรมาฐานนี่ก็เพื่อให้ใจนี่มีคุณภาพดีนะมีเมตตานะไม่มุ่งร้ายไม่ วันไว้ต่อความอิจฉาพยาบาทหรือโทสะที่เข้ามาครอบงำที่เข้ามาราังความจิตใจนะาการภาวนาน h i ก็เป็นการทำความดีอย่างนึงนะแต่ว่าเป็นการกระทำที่จิตที่ใจนะซึ่งนาไปสู่บาจาที่ดีและการกระทำที่ดีงามตามไปด้วย จะถามว่าเท่านี้พอหรือยังนะไม่พอนะต้องเปิดใจฝึกใจใหเห็นความจริงหเห็นสัจธรรมด้วยหากว่าใจนี่เข้าถึงสัจธรรมนะแล้วขณะเดียวกันก็ทําความดีทั้งกายวาจาใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความสุขความดีความจริงและความสุขนะนี่เป็น เป็นสิ่งสำคัญมากนะที่ผู้เจ้าได้ตรัสอยู่เสมอนอกจากเรื่องความทุกข์แล้วผู้เจ้ายัางตรัสเรื่องความสุขและความดีความจริงนี่มันมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงความสุขไม่ได้เกิดจากการมีนะคนทุกวันนี้ไปเข้าใจว่าจะสุขได้ต้องมีเยอะๆต้องเสพเยอะๆต้องได้เยอะๆอันนั้นไม่ใช่ธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องโลกนะ เป็นคำสอนเป็นความเชื่อในทางโลกซึ่งสวนทางกับธรรมะหรือพุทธศาสนาความสุขนี่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่จากการมีการได้การครอบครองแต่เกิดจากการทำความดีทั้งกายวาจาใจแล้วก็การเห็นความจริง ถ้าพวกเรามาเจริญภาวนากันอยู่นี่นะก็ต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ใช่เพียงแค่ฝึกใจของเราให้ดีฝึกใจให้สงบให้มีสติเจริญรู้เท่านั้นนะแต่ว่าต้องนำไปสู่การเห็นความจริงด้วยเห็นความจริงคือเกิดปัญญานั่นเองนะความดียังไม่ทำให้จิตหลุดพ้นนะ ความดียไม่ช่วยให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสความดียังไม่ช่วยทาให้จิตหลุดพ้นจากวตาสงสารแต่ปัญญาที่เห็นความจริงนั่นแหละนะเป็นตัวสำคัญเป็นเหมือนกุญแจที่จะเปิดประตูสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้เพียงแค่ทําความดีแม้จะเป็นการดีที่หลงลึกไปถึงจิตใจนะก็ยังไม่ทําให้พ้นทุกข์หรือว่าหลุดพ้นจากวตาสงสารได้ จิตใจที่สงบถึงขั้นมีเมตตาถึงขั้นที่มีฌานเข้าถึงฌานสี่ฌานแปดก็ไปได้แค่ชั้นพรหมนะไปได้แค่ชั้นพรหมแต่ไม่สามารถจะไปเลยกว่านั้นได้เป็นชั้นพรหมมันก็มีเวลานะแม้ว่าจะอยู่ในนั้นยาวนานแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องหวนกลับมานะสู่ พบที่ต่ำกว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอาจจะถึงกับเดรัจฉานก็ได้ก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนั้นแหละนะเพียงแต่ว่าถ้าทำความดีแล้วนะก็จะทำให้ได้ไปอยู่ในพบูุิที่เป็นสุคตนะิก็คือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปหรือว่าทาให้จิตเนี่ยไดนะ้พัฒนาจนกระทั่งอนกับว่าอยู่ในชั้นพรหม พอ เ, เมื่อได้เกิดปัญญาเห็นความจริงความจริงที่เราคือสัจธรรมนะนะถึงจะหลุดพ้นจากวตาสงสารได้แต่ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้หวังขนาดนั้นไม่ได้หวังนิพพานหวังแค่ขอให้มีความสุขถ้าต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ยั่งยืนนะเป็นความสุขที่เจือด้วยความทุกข์น้อย ก็ต้องนะมันภาวนาเพื่อให้ใจนเห็นความจริงนะด้วยนะนะทำความดีอย่างเดียวไม่พอต้องให้ใจนิห็นความจริงถึงจะได้มีความสุขนะนาจะยังไม่ใช่เป็นความสุขขั้นบรมสุขคือนิพพานนะแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้อยู่ในโลกนี้ได้นะอย่างอย่างปกติสุข ตันนี้จะเห็นความจริงเห็นแค่ไหนนะบางคนก็บอกว่าการเห็นความจริงเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าต้องเห็นความจริงถึงขั้นนะปรมัติตต้องเห็นความจริง ว่ามันเป็นไปตามกระแสคือปฏิจจสมุปบาทนะหรือว่าเห็นแจมแจ้งในอริยสัจส์4นะหลายคนก็อาจจะรู้สึกท้อขึ้นมาว่าโอ้เห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากปฏิจจสมุปบาทนี่แม้แต่จะอ่านหรือทำความเข้าใจก็ยังเรื่องเปียงเป็นเรื่องยาก อริยสัจสี่ก็ยังพอไหวพอจะเข้าใจได้แต่ว่าพอลงไปถึงสมุทัยนีิโรธแล้วนี่ก็รู้สึกว่ายากหรือว่าจะลดลงมาแค่เห็นความจริงเรื่องรูปนามเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีตัวฉันมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจเพียงแค่เห็น อย่างนี้นี่ก็ยากนะปฏิบัติมาเป็นปีแล้วเนี่ยก็รู้ว่ามันมีแต่รูปกับนามแต่ว่ามันไม่เห็นสักทีไอ้สิ่งที่รู้นี่เป็นแค่รู้จำนะแต่ว่าไม่ไม่ได้รู้จักรหรือว่าประจักแจ้งแล้วเมื่อไหร่นะจะรู้จะเห็นถึงขั้นปฏิจจสมุปบาทน ะ, ะนที่เรียกว่าตดสังยท่ทั้ง1ิบได้ ก็เลยกลายเป็นว่าการเห็นสัจธรรมความจริงเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเลวิสัยที่จริงยังไม่ต้องไปเห็นจึงขนาดนั้นก็ได้เอาแค่เห็นนะความจริงอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่ท่านกล่าวไว้ในอภินหารปัจจเวก็คือเห็นว่าเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงเพ้นความแก่ไปไม่ได้ มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะพัดพากจากของลกของชอบใจทั้งหลายอันนี้คือสัจธรรมนะที่มันไม่ต้องใช้ปัญญามากในการทาความเข้าใจเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็รู้อยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยได้พิจารณาให้มัน จำแจ้งหรือไม่ค่อยได้เปิดใจรับความจริงอันนี้เท่าไหร่อภินาปปจจเวกสีประการนี่นะไม่ต้องใช้ไม่ต้องเป็นคนที่มีปัญญาเลอเลอิศหรือว่าเป็นคนช่างคิดก็ได้ไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะมามากมันก็เข้าใจได้นะว่ะเนี่ยจริงทีเดียวเลยนะ ความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีความพลาดพลากจากของรักของชอบใจก็ดีพวกนี้ไม่มีใครหลุดพ้นล่วงพ้นได้มันเป็นสัจธรรมความจริงนะที่เห็นแจ่มแจ้งได้แต่ว่าใจเราไม่เคยยอมรับมันเท่าไหร่นั้นถ้าเราพิจารณาหรือเตือนใจอยู่เสมอนะมันจะช่วยทำให้ ความทุกข์ของเราเนี่ยลดน้อยลงความทุกข์ที่ว่านี้หมายถึงทุกข์ใจนะในส่วนทุกข์กายเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายความพัดพร่านก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งไม่มีใครหนีพ้นนะเป็นความทุกข์ที่เกิดกับกายเป็นความทุกข์ที่เกิดกับคนรักของรักของห่วงแต่ว่าไม่จาเป็นว่าจะต้องทุกข์ใจก็ได้ ถ้าทำไงถึงจะไม่ทุกใจนะคำตอบม่อยู่แล้วคือการนะพิจารณาความจริงสี่ประการนี้นะยังไม่ต้องเห็นความจริงถึงขั้นใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ได้บางคนบอกว่าโอ้อันทีจังก็พอเข้าใจได้ทุกขังก็รู้สึกเข้าใจได้ยากขึ้นพอเรื่องอนัตตานี่ไม่เข้าใจหรือว่าหมายถึงอะไร ไม่เป็นไรยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเอาแค่ว่าปีนหาปัจจัยซึ่งเป็นความจริงพื้นฐานนี่นะเปิดใจยอมรับมันจริงๆและเวลาที่เหมาะสาหรับการเปิดใจยอมรับมันนะก็คือตอนที่เราเจอทุกข์กับตัวแล้วก็คือว่าตอนที่เราเจ็บตอนที่เราป่วยนะหรือว่าตอนที่กำลังแก่ชรา รวมทั้งตอนที่เกิดความพัดเพ่าสูญเสียด้วยสังเกตไหมเวลาของหายเงินหายหรือว่าของรักเช่นเพชรนินจินดาถูกขโมยไปเนี่ยใจมันไม่ยอมรับเลยนะใจมันไม่ยอมรับว่าความสูญเสียได้เกิดขึ้นแล้วใจมันต่อต้านใจมันปฏิเสธยิ่งตอนที่เจ็บป่วยหรือได้ข่าวว่าเจ็บป่วย เชนหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะป้าเป็นมะเร็งนะลุงใจมันต่อต้านขึ้นมาทันทีเลยมันไม่ยอมรับหลายคนก็พูดขึ้นมาในใจว่าทําไมต้องเป็นฉันฉันศึกษาทําความดีมาทําไมไม่เป็นกับคนอื่นนะทำไมต้องเป็นกับฉันอันนี้แหละเป็นอาการของจิตที่มันไม่ยอมรับความจริง มันไม่ยอมรับมันปฏิเสธนะและโอกาสอย่างนี้แหละนะที่เราจะต้องเปิดใจอยอมรับความจริงให้ได้เพราะถ้าจิตมันไม่อยอมรับความจริงนะมันไม่ได้แค่ทุกข์กายเดียว น, นะมันจะทุกข์ใจด้วยจนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีขี้ไม่ออกด้วยหรือเวลาของหายเนี่ยนะของหายเนี่ยไม่ว่ามันจะราคา แพงเท่าไหรเนี่ยพอใจไม่ยอมรับนี่นะกิ้ไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะบางทีป่วยเลยนะจะอายุมากหรือน้อยเนี่ยก็ตามพอของรักของ่วงเนี่ยมันหายไปเป็นมรกฏเป็นทับทิมเป็นทองเป็นเพชรนะหรือหนักกว่านั้นคือคนรัก บางทีเขาไม่ได้ตายจากไปนะเาเพียงแต่ทิ้งเราไปเช่นสามีทิ้งภรรยาภรรยาทิ้งสามีหรือแฟนเขาทิ้งไปมันปวดราวมากนอนไม่หลับต้องกินยาเกิดอาการเครียดนี่มันเป็นอาการของการที่ใจเนี่ยปฏิเสธใจไม่ยอมรับ ถ้าทำไมใจไม่ยอมรับก็เพราะว่าไม่เคยหรือไม่ค่อยได้นึกถึงความจริงข้อนี้เลยคนที่ไม่ได้นึกถึงความจริงข้อนี้นะว่าเนี่ยทั้งสข้อเนี่ยนะพอเจอเข้ากับตัวนี่มันจะต่อต้านมันจะปฏิเสธแล้วพอเราปฏิเสธแล้วนะมันก็จะทุกข์ใจแทนที่จะเสียแต่ของแทนที่จะเสียแต่ทรัพย์นะใจก็เสียด้วย ความสุขก็หายไปชีวิตกลายเป็นสิ่งบูดเน่าไม่อยากอยู่วันเวลาแต่ละนาทีนี่มันกลายเป็นสิ่งที่เคลื่อนไปแสนช้าแล้วก็ทิ่มแทงจิตใจแต่ทันทีที่เรายอมรับความจริงได้นะมันปล่อยมันวางเลยพอรับความจริงแล้ว น, นี่เป็นธรรมดาของมนุษย์เป็นธรรมดาโลก มันจะวางได้แล้วจิตใจก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์กายจะยังมีอยู่นะแต่ว่าความทุกข์ใจไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราพิจารณาหรือสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยนะอย่าสาธยายแต่ปากนะแต่ว่ามันพิจารณาอยู่เสมอ เพื่อว่าพอเหตุร้ายไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็จะได้มีสตินึกถึงมันได้ทันและถ้าเราพิจารณาอยู่เสมอนะจากเรื่องราวข่าวสารที่เราได้ยินได้ฟังคนนั้นตายคนนี้ป่วยบางทีก็เป็นเพื่อนบางทีก็เป็นญาติผู้ใหญ่ บางคนก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าเราอ่านจากข่าวได้ยินจากโทรทัศน์นะก็น้องเข้ามาใส่ตัวนะรอน้องเข้ามาใส่ตัวสักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเราสักวันหนึ่งจะเกิดอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักมันจะช่วยทำให้ใจเราเนี่ยค่อยๆยอมรับความจริงอันนี้ได้แล้วก็เตือนใจเราไม่ให้ประมาท พอเราเตือนใจเราอยู่เสมอหรือเรายอมรับความจริงนี้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ระดับการรู้จำแต่า ก, การพิจารณาสม่าเสมอมันทำให้เราเนี่ยมีสติรู้ทันเวลามันเกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยเราก็จ ะ, ะหมดเสียสูญได้สักพักเราก็จะชาไปสักครู่หรือว่าเสียสติไปพักหนึ่งเสียแล้วก็มีสติขึ้นมาได้ แล้วพอเรายอมรับมันได้เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ทำให้เราเนี่ยไม่ไม่มีจิตที่เศร้าหมองหดหู่ข้อที่5้าก็สำคัญเหมือนกันนะอภิญปัจเวรข้อที่ห้า เรามีกา ร, ร or, เป็นของของตนนะเราจะต้องไปผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุเรรรเน์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่กนะ็เป็นหัวใจอันหนึ่งของชาวพุทธเลยนะก็คือว่าอยากได้อะไรนะหรือว่าอยากเป็นอะไรมันก็ต้องอาศัยกรรมคือการกระทําของเราในเป็นที่พึง่ง นะอยาประสบความสำเร็จในชีวิตนะอยากสอบได้นะอยากหายป่วยหรือว่าอยากมีความสุขร้องขอไม่ไดนะ้จะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่วิสัยจะ ต, ต้องอาศัยพึ่งพาการกระทําของเร า, ากรรมกักรรมเนี่ยก็คือการกระทํานะ คนเราทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้พึ่งกรรมแล้วเราไปพึ่งอย่างอื่นไปพึ่งเส้นสายบ้างพึ่งเงินทองหรือว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปฏิหารบ้างอยากสอบได้แทนที่จะขยันหมั่นเพียรก็อาศัยเส้นสายอาศัยเงินไปซื้อเกรดเดี๋ยวนี้ปริญญา ทั้งโทรเอกตรีด้วยซ้ำานี่จำนวนมากที่ออกมาจากมาวทายลต่างๆในเมืองไทยนีย่ซื้อเอากันเยอะแยะไปหมดเลยวิทยานิพนธ์ก็ไม่ได้ทำเองแต่จ้างคนอื่นทำหรือแม้แต่ตำแหน่งก็ไม่ได้เกิดจากนำพักนำแรงของตนแต่เกิดจากการวิ่งเต้นใช้เส้นสายหรือใช้เงิน อันนี้มันสร้างคันยมที่ทำให้คนเนี่ยไม่พึ่งพาความเพียรของตนแล้วต่ไปพึ่งพาสิ่งอื่นแทนอันนั้นไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธ น, นะชาวพุทธเนี่ยเราต้องพึ่งพาการกระทาซึ่งประกอบไปด้วยความเพียรนะบูจาตร์ ว, ว่ามนุษย์เนี่ยร่วงพ้นได้เพราะความเพียรเราอยามีความสุขนะในชีวิตนี้นะ ก็ไม่ควรจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไม่ควรหวังหวังบุญอย่างเดียวเดี๋ยวนี้หวังบุญกันมากนะจะทำบุญก็หวังว่าจะร่ำรวยจะหายป่วยจะไม่มีทุกข์จะปลอดจากอันตรายจะมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้เป็นความหวังที่ค่อนข้างจะห ล, ล, ลงหลงแรงๆนะเพราะว่า ไอ้ร่ำรวยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ทำความเพียรนะมันก็เป็นความร่ำรวยชั่วครูชัวช่ว ย, ยามหรือว่าหวังความสุขนะแต่ว่าไม่รู้จักฝึกใจใหเห็นความจริงรวยแค่ไหนประสบความสลดเพียงใดมันก็ยังทุกข์ใจอยู่เพราะคนที่ประสบความสร็จในชีดมีหน้ามีตามีตาแหน่งที่เปโรคเครียดจนความดันขึ้นหรือว่าต้องกินยานอนหลับ หรืต้องกินยา ค, คลายเครียดนี่ก็เยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าเขานะไม่ได้คิดที่จะฝึกใจเปิดใจให้เห็นความจริงจนกระทั่งรู้จักปล่อยวางได้หรือมองว่าให้ความทุกข์ความพันพนปลนไในชีวิตนี้มันก็เป็นธรรมดาโลกนั้นถ้าเรานะพึ่งความเพียรของเราโนดะ ย, ยเพราะนะไม่เพียงแต่ทำมาหากิน ประกอบสมาชีวะนะแต่ว่ามาปฏิบัติทำมาเจริญภาวนายอมลำบากยอมเสียเวลาอย่างที่พวกเราทำอยู่นี้นะแล้วก็ไม่ย่อหย่อนต่อความเพียรไม่ย่อหย่อนต่อความยากลำบากรู้จักอดทนรอคอยได้ก็จะทำให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะนะเข้าถึงจุดหมายโดยเพราะถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ย ก็จะไม่เพียงแค่สงบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าจะเกิดปัญญาที่ช่วยพาจิตออกจากความทุกข์ได้การจลศิษฐ์สติปัฏฐานนี่นะมันเป็นมันเป็นการกระทําที่ระกรรมเหมือนกันนะเป็นกรรมดีนะถ้าอยากได้ความสุขก็ต้องประกอบกรรมดีได้ตัวเองและเมื่อเราทํากรรมดีเราเราย่อมได้รับผลของกรรมนั้น เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยรับผลของกรรมนั้นนี่ไม่ได้แปลว่ารับแต่วิบากนะเดี๋ยวนี้ควรไปเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือรับผลของกรรมที่ทำไว้ชาติที่แล้วนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ยังคาดเคลื่อนมากแล้วก็ยิ่งไปคิดว่าเราต้องรับกรรมที่เป็นเราต้องรับผลของกรรม ที่เป็นกรรมเลวในชาติที่แล้วอันนี้ยิงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใหญ่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมเท่านั้นแต่เราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมด้วยและถ้าเราสร้างกรรมดีเราก็จะได้รับผลแห่งกรรมดีนั้นคำว่าเราเจอดต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยรวมถึงรับผลของกรรมดีด้วยนะและไม่ใช่กรรมดีของชาติที่แล้วแต่หมายถึงกรรมดีที่ทําในชาตินี้ในวันนี้นะ แต่ว่ากรรมบางอย่างนะแะเป็นกรรมดีแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะให้ผลเร็วนะาจจะให้ผลช้าเหมือนกับปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เราปลูกวันนี้เราเอาต้นไม้ลงดินวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงทุเรียนไม่ใช่ว่าเราจะได้กินมะม่วงได้กินทุเรียนพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้าอาจจะสี่ห้าปีหรือสิปี ถ้าหาว่าต้นไม้จะไม่ออกดอกออกผลก็อย่าพึ่งบน่นอย่าพึ่งท้อแท้ว่าทําไมปลูกแล้วไม่ได้ผลนะต้นไม้มันโตก็เห็นอยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ออกดอกออกผลเพราะมันยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าเราดูแลใจใสด่ดีมันต้องออกแน่แน่นอนนะเราต้องมั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ย มันต้องออกผลน้าชาวสวนทุกคนชาวไร่ทุกคนเนี่ยเขามั่นใจว่าต้นไม้ที่ลงไปถ้าดูแลมันดีๆเหตุปัจจัยอํานวยเช่นมีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลไม่นานนะหรืออาจจะนานก็ได้แต่ยังไงมันต้องเกิดผลแน่ให้การปฏิบัติทําการเจรนญสติอย่างที่พวกเราทําเนี่ยนะเราก็ต้องมี ความเชื่อมั่นแบบนี้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำถ้าเราทาถูกทำถูกวิธีเนี่ยมันย่อมเกิดผลความเชื่อมั่นอันนี้เราเรียกว่าศรัทธานะศรัทธาเราต้องศรัทธานะมีศรัทธาในกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมในที่นี้หมายถึงว่าทำดีย่อมได้ดีนะเมื่อเจริญสติย่อมมีสติเป็นผลอย่างแน่นอนแต่ว่า สติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเขาเกิดขึ้นเทเลนิดเทเละหน่อยหนึ่งวันผ่านไปจะมองไม่เห็นนะเหมือนกับต้นไม้เนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเราไม่เห็นความเติบโตหรอกแต่ที่จริงมันเติบโ ต, ต, ท, ต, บโตทุกขนะใครบอกว่าต้นไม้ไม่โตเนี่ยเราคงเถียงเพียงแต่ ว, ว่าเราไม่เห็นมันโตเพราะมันค่อยๆโตค่อยๆโตหนึ่งวันเนี่ยนะยังไม่เห็นนะ แต่ถ้าเรากล้องมามาถ่ายมาบันทึกภาพการเติบโตของต้นกล้านี่จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันโตทุกขนายิ่งยิ่งถ้าเป็นเป็นไผ่ด้วยแล้วนี่นะเห็นความเติบโตของมันนะทุกชั่วโมงแต่ต้นไม้บางอย่างโดยเฉพาต้นไม้ที่มีค่านะมันจะเติบโตช้าแต่มันเติบโตทุกขนานะ ให้การปฏิบัติธรรมเราก็เช่นเดียวกั น, นเมื่อเราจเจริญสติสติมันก็เกิดขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนถ้าเราไปจ้องมองเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคนที่จ้องมองนะคอยดูผลนะบ่อยๆนี่ ระวังนะว่าจะทุกข์นะเมื่อคนที่ปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงปลูกพยุงแล้วคอยจ้องดูมันทุกชั่ทุกวันเลยถ้าคนที่จ้องมองแบบนี้นี่ทุกข์นะเพราะจะรู้สึกว่ามันไม่โตสักทีหรือมันโตไม่ทันใจหรือบางทีคิดว่ามไม่โตเลยที่จริงมันโตมันงอกทุกขณะถ้าเราไม่จ้องมองมันปล่อยเวลาผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือหนึ่งเดือนก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมันเติบโตจริงๆ นับปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเอาแต่จ้องดูว่าสติเราโตไปถึงไหนแล้วนี่จะทุกข์มากนะบางทีไม่ต่างจาคนจ้องดูเข็มชั่วโมงกันนะเข็มชั่วโมงนี่นะถามว่ามันเคลื่อนไหมมันเคลื่อนแต่ดูเพลินๆนี่มันไม่ขยับเลยแต่เราลองหลับตาดูสักสิบนาทียกยี่สิบนาทีเลยก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนเยอะมากทีเดียวแต่ถ้าเราไปจ้องมองมัน เราจะรู้สึกว่ามันไม่เคลื่อนและรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปชา้าเหลือเกินเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกนักปฏิบัติธรรมนี่จะไปให้มั่นใจว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าเราทำถูกแล้วเนี่ยผลย่อมเกิดขึ้นแน่นอนต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อมั่นนะแต่ว่าก็ต้องรู้ระลึกว่ามันเกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยอย่างช้า อย่างช้าๆเราต้องรู้จักคอยมีอาจารย์ชาว ญ, ญี่ปุ่นคนหนึ่งนะอาจารย์อิชิอินะมีชื่อมากในหมู่นักประวัติศาสตร์ไทยเพราะว่าท่านนี่ก็มีผลงานด้านประวัติศาสตร์ไทยอยู่อาจารย์อิชอินี่ไม่ได้จบปริญญาที่ไหนเลยปริญญาตรีนะมาเมืองไทยตั้งแต่อายุ20ส่สิบเศษเศษเป็นคนฉลาดมาก แล้วก็ความสามารถพิเศษจะเลือกเป็นความสามารถพิเศษก็ไม่ได้เรียกว่าคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครก็คือเป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษามากทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอิตาลีภาษาฝรั่งเศสเยอรมันรวมทั้งภาษาโบราณเช่นบาลีสันสกฤตเทว น, นาครีถ้ามีคนก็พูดกับอาจารย์อิชิว่าเนี่ยท่านเป็นอัจฉริยะด้านภาษา อาจารย์อิชิก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เลยผมก็เหมือนคนทั่วไปคนก็ถามว่าท่านมีหลักยังไงในการเรียนภาษาท่านบอกว่าการเรียนภาษานะต่างประเทศนะมันไม่ต่างจากการตักน้ําให้เต็มด้ว ย, วยกระชอนเพื่อเรารู้จักกระชอนไหมกระชอนที่ทำด้วยผ้านะที่เขาเอาไวจา้จับลูกน้ำเติมน้ําให้เต็มตักน้ําให้เต็มด้วยกระชอน เราคิดดูเสว่ามันกว่ามันจะเต็มนี่แก้วเนี่ยกว่าจะเต็มแก้วนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ใจชีบอกว่าเนี่ยเรียนภาษาต่างประเทศมันแบบนั้นเลยก็คือต้องหัดเปิดเช่นต้องหัดเปิด d ิ c t i o n a r y หรือพจนานุกรมบ่อยๆคำคำหนึ่งเนี่ยจำยังไงมันก็ลืมต้องเปิดิพจนานุกรมบ่อยๆอาจจะร้อยครั้งหรือว่าหลายร้อยครั้งถึงจะจำสับเพียงแค่ศับหนึ่ง คำหนึ่งได้และภาษาหนึ่งนี่มันมีกี่คำที่ต้องจำถึงจะรู้ได้ถึงจะเข้าใจอย่างตามก็ 3,000 คำา5 0 0 0คคำก็ต้องเปิดพจนานุกรมแล้วเป็นเลยว่าเป็นไม่ใช่หมื่นๆ น, นะเป็นแสนแสนครั้งกว่าจะจำสับได้ถึง 3,000 ันหาพันคำให้การเจริญสตินี่ก็ไม่ต่างจากการเรียนภาษานะ ที่จริงการที่เราจะเราจะจําภาษาต่างประเทศเราก็ต้องใช้สตินะสตินี่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องการจําเราจะจําภาษาต่างประเทศัได้เลยจําศัพท์ได้ต้องใช้สตินะแต่ว่าเป็นสตินะที่เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวสติที่กาลังฝึกนี่เป็นสติที่เกี่ยวกับเรื่องการรู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจสติแปลว่าไม่ลืม นะจําได้นะอย่างเราพอทําวัดเสร็จเราจําได้ว่ากุกติเราหรือว่าเต้นเลาอยู่ตรงไหนนะการจําได้นั่นแหละคือสติเป็นงานของสติแต่ว่าสติที่เราฝึกนี่เป็นสติอีกแบบนึงคือสัมมาสติคือสติที่ช่วยให้รู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจ แต่ว่าก็ต้องอาศัยวิธีการเดียวกันคือทํำบ่อยๆทําซ้ําๆจะเรียนภาษาต่างประเทศก็ต้องนึกบ่อยๆนึกซ้ำๆเปิดพจนานุกรมบ่อยๆเปิดพจนานุกรมซ้ำๆใช้ซ้ําๆเจริญสติปัฏฐานก็เหมือนกันนะต้องทําซ้ำๆและมันก็ ให้ผลช้านะไม่ต่างจากการเติมน้ำให้เต็มด้วยกระชอนเหมือนกันนะถามว่าเติมตักน้าด้วยกระชอนใส่แก้วแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่มันมันมีน้ำติดไหมก็มีน้าติดแต่มันเทเลียด2หยดแต่มันไม่เคยไม่เคยไม่มีน้ำติดมันเลย ตักแต่ละครั้งได้ผลทั้งนั้นตักแต่ละครั้งมีผลเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ว่ามันผลเกิดขึ้นทเลนิดเทเลน่อยเราต้องอดทนเราต้องรู้จักรอคอยไม่เร่งรีบนะแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นในที่สุดอันนี้คือคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรม คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการฝึกฝนจิตใจให้เห็นสจัจธรรมนะให้การที่เห็นความจริงนะมันก็ต้องสัมผัสกับความจริงอยู่ บ, บ่อยๆอยู่ บ, บ่อยๆจนกระทั่งจิตเนี่ยมันยอมรับมันยอมแพ้มันไม่ต่อต้านมันเปิดใจรับความจริงแล้วเมื่อเราเห็นความจริง ไม่ใช่แค่รู้จำนะเวลาเวลาแกา่เวลาเจ็บเวลาป่วยพัดพลาดสูญเสียนะเราก็จะเห็นวมันเป็นธรรมดาแล้วนะตรงนี้ก็ช่วยทําให้เราเกิดความปกติสุขได้ยังไม่ทันได้เห็นไตรลักษณ์เลยนะยังไม่ได้ถึงกับเห็นรูปนามยังไม่ทันถึงกับเห็นปฏิจจสมุป บ, บาทนะ แต่มันก็ช่วยได้เยอะแล้วและเห็นอย่างนี้แหละก็จะเป็นพื้นฐานไปช่วยทําให้ได้เห็นความจริงเรื่องรูปนามเห็นความจริงเรื่องใตรักอริยสัจ4ี่หรือว่าปฏิจจสมุปบาทได้แต่ก็อย่าคาดหวังนะจะเห็นสิ่งยากยากตราบใดที่ให้สิ่งง่ายง่ายพื้นๆ น, นะเช่นความแก่ความเจ็บความพัดพรากสูญเสียความตายเรายัางไม่ ยอมพิจารณาไม่ยอมเปิดใจต่อเมื่อเราเปิดใจนะยอมรับนะ ส, สี่ประการนี้รวมทั้งพยายามพึ่งความเพียรของตัวถือเอากรรมคือการกระทำของตนเป็นที่พึ่งแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าทำกรรมดีแล้วผลดีย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะอาจจะช้า แต่ว่าเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะว่ากรรมทุกอย่างย่อมไม่ไร้ค่าย่อมเกิดผลเพราะว่าเราทุกคนนั้นเป็นผู้รับผลของกรรมที่ได้กระทำนะกรรมของคนอื่นก็ไม่สำคัญเท่ากับกรรมที่เราได้กระทาถ้าได้กระทำแล้วผลแห่งกรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะขอให้เป็นกรรมดีก็ตามนะ อ่ะอละอ่าข้ามนี้ก็พิ่มกับท่านนี้กลับฮะ